อาตอมาได้ทราบจากผู้สูงอายุที่นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์บอกว่าโอ้ยหลวงพ่ออินเอ้ถ้าหากว่าได้พูดทางโทรทัศน์ก็ขอให้ชี้แจงอาภาษขององค์หลวงตาก่อนและจะค่อยรับบริจาคเมื่อภายหลังเนีอันนี้ก็คือผู้สูงอายุนี่ที่ขอร้องและพูดให้หลวงพ่อทราบนะเวรานั้นหลวงพ่อจะขอชี้แจง อาการอาภาษขององค์หลวงตาให้แก่คณะสหาญาติโยมโลูกหลานได้ทราบก่อนและยังค่อยมีอะไรยังค่อยรับบริจาคเมื่อภายหลังนะที่หลวงพ่อได้อ่านประกาศให้ฟังนี้เป็นคําประกาศของคณะแพทย์ที่รักษาองค์หลวงตาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดจนถึงวันที่ยี่สิบแปดคือวันนี้ใช่หลวงพ่อหลวงพ่ออินเป็นผู้ เห็นแล้วก็ประกาศแต่ตามไม่จริงในเมื่อหลวงพ่อเห็นด้วยเห็นอาการของหลวงตาด้วยแล้วก็หมอก็เขียนประกาศมาด้วยหลวงพ่อมั่นใจทั้งสองอย่างไม่ใช่ว่าหมอเขียนมายัางไงหลวงพ่อก็จะอ่านตามอย่างนั้นหลวงพ่อก็จะท้วงติงเหมือนกันเอออันนี้ํานี้พูดเรื่องนี้เป็นยังไงฮะหลวงพ่อก็จะได้ทำความเห็นกับคณะแพทย์เหมือนกัน เพราะลุงพ่อเป็นคนอ่านไ พ, พ่อเป็นคนอ่านลง พ, พ, พ่อก็ต้องได้ ก, กันกรองอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นขอให้คณะทศไทยญาติโยมหล่านทุกคอนเนอร์ที่อยู่ทางไกลที่รักเคารพในองค์หลวงตาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผู้สูงอายุที่เคยมากราบมาไหวมาเคารพสักการะ บ, บูชาได้ฟังโอวาทขององค์หลวงตาแต่คราวนี้มาไม่ได้สุขภาพไม่พร้อมแล้วก็ ได้อยู่กับบ้านกับเรือนแต่ว่าอยากจะทราบข่าวองค์หลวงตาอยู่ตลอดนะเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้ข อ, ขอเรียนให้นะได้ทราบ ท, ทุกท่านสรุปอาการอาพาธองหลวงตามหาบัวยนสัมปัโ น, โนประจำวันที่28มกราคมพุทธศักราช2554คณะแพทย์ได้กล่าบเปลียนรายงานต่อคณะสงฆ์ว่าเมื่อวานนี้ 27มกราคมวงเล็บตอนเช้าหลวงตาไอเป็นคลั่งคราวเสมหะเหนียวไม่มีไข้อ่อนเพลียแพทย์ดูดระบายน้ำออกจากช่องปอดซ้ายได้น้ำปริมาณ 500cc ช่วงกลางวันหลวงตาเหนื่อยหอบมากขึ้นเสมหะามากขึ้นแพทย์ได้ดูดเสียมหะพ่นยา ขยายหลอดลมให้ออกซิเจนตอนกลางดึกหลวงตาเริ่มมีไข่ต ำ, ตำยังคงอ่อนเพลียแพทย์สันนิษฐานว่าน่าจะมีอาการอักเสบติดเชื้อแทรกซ้อนและจะได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อถวายการรักษาที่เหมาะสมต่อไปจึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันคณะสงสิทยานุสิ์ 28มกราคมพุทธศักราช2554อันนี้คืออาการอาพาธขององค์หลวงตาที่คณะแพทย์ได้รายงานแต่วันนี้ก็ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่าฟ้าหญิงจะเสด็จตอนเช้าเดี๋ยวนี้กำลังขึ้นเครื่องมาถึงอุดรจากนั้นก็คงจะเข้ามาที่วัดป่าบ้านตาดของเราแต่เมื่อวันที่ 26มกราคมพุทธศักราช2554เจ้าฟ้าหญิงก็จะเสด็จน ะ, สะเสด็จมาที่วัดป่าบัานตาที่ผ่านมาวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่26สเสด็จกลับไม่กี่วันท่านก็เสเด็จกลับมาอีกวันนี้นพวกเรากคงจะรู้แก่ใจว่าอาการอาภาษณ์ขององค์ลุงตานั้นเป็นยังไงนะตอนนี้ไปก็เออเอาอันนี้ก็คือป้าย ป้ายทองคำทองคำหลวงตาขณะนี้12ตัน12ตันกับ292กิโลดอลล่าร์10ล้าน2แสน 14,600 ดอลยอดเงินอันนั้นเป็นโครงการสร้างตึกสงอาภาศสูง10ชั้น ห้าร้อยล้านน่ลงตาตั้งคือลงตาของเราตั้งไว้ห0 0ร้ล้านบาทเนะคณะสัตยาญาติโยมขณะนี้ยอดเงินได้ส4่สี่หล้าน2องแส6เจ็ดสบาทคิดเป็นผ้าปา่าได้สองแสนสองมเจดันหนึ่งสากองนะยังขาดอยู่นะยัง ข, ขาด ที่องค์หลวงตาตั้งเป้าเอาไว้นะ0ล้านนะเดี๋ยวนี้ได้446ล้าน2 0 0แสนกว่าก็ยังบวกลบคูณหารดูซิยังเหลือเท่าไหร่ประมาณ50กว่าล้านนะใกล้เข้ามาแล้วละ่ะขหาะบดีเศรษฐีพ่อค้าที่รักเคารพในองค์หลวงตาเพิ่มครบคนรละล้าน2ล้านกว่ประมาณ50กว่าคนนะ ห้าสิบกวคนก็พอนะคนละล้านละร้านนะครับคแล้ววันนี้ท่านผู้กำกับคงจะไม่พูดอะไรมากมเว่าฟ้าเย็นจะเสด็จนะเอาทานให้ก็คงจะจบมั้งท่านผู้กา ก, กับบอกว่าอย จ, จะฟังแนวความคิดของหลวงพ่อหลวงพ่ อ, พอไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้รู้สึกว่าอ า, อาการขององค์หลวงตาเราก็รู้สึกว่ า, าถ้าจะว่าหนักไหมก็ หนักพอสมควรแต่ว่าจะทํายังไงได้ล่ะพวกเราก็มีแต่เอาใจเอาใจช่วยอย่างที่แพทย์จีนเขาบอกว่าผมขอถวายชีวิตให้องค์หลวงตาองค์หลวงตาจะยืนไปผมขอถวายชีวิตหลวงพ่อคิดก่อนแล้วสําหรับหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยนะเนี่ยบอกว่าขอถวายชีวิตเลยถ้าหลวงตายายุยืนเท่าไหร่ แต่ว่าจะทำยังไงอาการของโรงตาก็ลื่นไหลไปเรื่อยๆตามอายุสังขารของท่านถ้าจะเปรียบเทียบให้แก่พวกเราได้ฟังก็นี่นะคนเราเกิดมาไม่รู้ว่าทุกชาติทุกภาษาเกิดมาในโลกเกิดมาแล้วก็ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีพ้นไปได้ ทุกคนเสมอภาคกันเนะี่ยคือจุดนี้แหละจุดนี้คือเป็นจุดนิจยังคือของเที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาแล้วไม่มีใครแปรผันไปอย่างอื่นเกิดมาเท่าไหร่แปลว่าต้องถึงจุดจบทุกคนขอให้พวกเรานึกๆดูเออให้ดีก็แล้วกันนะพระว่าร่างกายสังขารเป็นอย่างนี้ล่ะโบราณอาจารย์ท่านจึงเปรียบเทียบให้แกพวกเราให้ฟังได้ศึกษา ท่านบอกว่าคนเราเกิดมานในร่างกายของเราเนี่ยมีสองมีสองอย่างท่านเปรียบเทียบร่างกายเนี่าะว่ากายยนครนะท่านเปรียบเทียบเป็นเป็นเรื่องราวขึ้นมานะว่ากายยนครแต่กายยนครนี้มีพยาจิตรราชพยาจิตรราชเป็นผู้คลองเมืองแปลว่าเอาออกมาจากอู่อะไรแบั้นเถอะขึ้นมาครอบครองเมืองคือพยาจิตรราชร่างกายนี่คือกายยนคร พญาจิตรราชเนี่ยครองนครกายยนครครองด้วยความทะนุถนอมคลองด้วยความรักที่สุดคือรักร่างกายเออหิวกระหายร้อนหนาวแปลว่าพญาจิตรราช่ยดูแลดีดีที่สุดเหมือนกันเถอะไม่มีอะไรที่จะเรีวยกว่าเป็นของรักที่สุดของพญาจิตรราชกายยนทรน์แต่ว่ากายยนครเนี่ยก็มีผู้จะมาชิงเหมือนกัน คือพญามัรจุราชพญามัจจุราชจะมาชิงกายยนครแต่นี้เมื่อพญาจิตรราชได้กายยนครมืก่ดูแลแต่พญาจิตรราชบางบางท่านก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือทนุถนอมกายยนครของตอนเองแล้วก็พร้อมกันก็เตรียมพร้อมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้คำว่าทนุถนอมพร้อมกันก็สั่งสม บุญบารมีอยู่กายยนครนั้นอันไหนจะเกิดประโยชน์ดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาคราญาติทําบุญกับสัมมาณชีพามพระญาจิตรราชนะั้นเป็นเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่พระญาจิตรราชบางพญาเนะีพอได้กายยนครมาแล้วกล่มหลงมัวเบากินเหล้าเมายามไม่คิดว่าตัวเองจะตายคิดว่าตายแล้วก็โศนอีกก็เลยไม่ได้สศนใจไม่ได้ ทำบุญไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลพญาจิตรราชน้นไปว่าล่มหลงมัวเบาในกายยนครของตนเองแต่พญามัจจุราชน่ะเขาส่งทหารเข้ามาชลาพญาทิทหารของพญามัตจุราชคือชลาพญาิส่งเข้ามาแย่งชิงกายยานครตีตีเมืองะตีเมืองกายยนครตีมุมนั้นตีมุมนี้เพื่อจะแย่งกายยนคร แต่พญาจิตรราชนี่ก็ส่งทหารออกไปช่วยคือมโหสถเท่านั้นเถอะขุนขุนพลมโหสถและก็ขุนพลเพศสัตว์เทนั้นเถะ อ, ออกไปเพื่อจะช่วยจะสู้กับทหารของพญามัรจุราชคือชะลาพญาธิบางทีบางทีคือสู้ชนะมโหสถสู้ชนะกดดีอก ด, ดีใจพญาจิตรราชนะบางทีก็ส่ง เทสัตว์ออกไปสู้าชนะก็ดีอกดีใจแต่บางท่างบางครั้งก็ฟันหลุดไปเหมือนกันนะฟันหลุดหูตึงหนังเหี่ยวผมงอกผมขาวไปอันนี้คือชราพยาธิตีกายยนครอแต่ว่าพยาจิตรราชผู้ใดอยู่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็ได้คิดเออนครของกายแต่ละท่านเนี่ย ตีเมือ ง, มอ ง, งเมืองนั่นก็แตกตีเหมือนเองก็แตกแต่เมืองของเราเนี่เขาจะตีแตกเหมือนกับเมืองอื่นคงจะแตกแน่ๆอีกสักวันหนึ่งอันนี้แปลว่าพญาจิตรราชนั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทใครๆว่าเตรียมพร้อมว่าอยู่เสมอเอาเถอะเมื่อพญามัจจุราชตีเมืองเข้ามาเมื่ อ, อไหร่ข้าพเจ้าก็จะเตรียมพร้อมพลพักของข้าพเจ้าก็พร้อมเพราะนั่นจึงเตรียมสร้างบุญสร้างกุศล สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่ตอตนเองและประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างองค์หลวงตานี่ท่านทำสร้างในเมื่อท่านได้ครองออกายยนครและท่านสร้างค่ายครูประตูหอรับของท่านอย่างเข้มแข็งสิ่งไหนที่จะเปิดประโยชน์ท่านทำสิ่งนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละเป็นตัวอย่างอันนี้คือองค์หลวงตาเราเมื่ออยู่กายยนครท่านก็ไม่ได้่มหลงมัวเมา มีแต่สังสมคุนงามความดีเข้าสู่ตัวของท่านตลอดนี่แหละอันนี้นะเมื่อพยามัจจุราชตีเข้าตีเข้าพ้ส่วนกำเมืองแตกถ้าว่าผู้ใดยังร่มร่มหลงมัวเมาเอ่อมีแต่คิดว่าตัวเองจะไม่ตายและก็พร้อมกันก็ลืมหลงมีแต่กินเหล้าเมายาเที่ยวสมเทธเทเมารุ่มหลงมัวเมาอยู่ในโลกตัตสงสาร พอพยามัจจุราชตีเมืองเข้ามาทีนั้นนะ่ะเออพยาจิตตราชนะกูวิ่งหนีออกจากเมืองเนะ่เออมีแต่มีแต่ตัวล่อนจอนว่างั้นเอ่อเออไม่มีเสื้อผ้าอาพรเพราะไม่ได้คิดไปก่อนว่าเราอยู่ในเมืองกายยนครนี้จะอยู่เป็นอานัศักดเท่าไหร่ออกจากเมืองกายยนครไปว่าไม่ได้ตั้งตนตั้งตัวอยู่ในกายยนครก็มีตทลุมหลงมัวเมา เรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะโลภ โ, โลกรธหลงอยู่ตลอดพอออกจากร่างนี้ไปนะออกจากนี้ก็ไปเกิดเพราะไม่มีสมบัตินี่ยมีแต่เปลือยกายไปกัไปเกิดเป็นสัตว์ทีจฉันไปเป็นเปรตไปตกนรกเพราะอะไรเพราะไม่ได้เตรียมพร้อมแต่ถ้าว่าท่านผู้เตรียมพร้อมว่าเขาต้องยึดกายยนคนครได้อีกสักวันหนึ่งเพราะเห็นผ่านๆมาแล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างมาแล้วเราก็คนหนึ่งนะ เขาจะต้องตีกายยนตรครแต่แน่ๆน่จากนั้นเราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสั่งสมคุณงามความดีคล้ายๆบอกเก็บหอมรอมริบพลพักของตนเองจากนั้นก็เมื่อพญามตจจุราชตีเข้ามาพังบวงล้อมของข้าศึกศัตรูออกไปออกนอกรอบเมืองแต่เขาก็ได้แต่เมืองร้างเท่พญามตจจุราชได้แต่เมืองร้างได้แต่ร่างกายส่วนจิตใจพญาจิตรราชนั้นนะ่ะ ออกไปสร้างเมืองใหม่ไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดสวรรค์ออกจากนั้นก็ไปเกิดเป็นพรหมแต่ถ้าว่าพญาจิตรราชมีความมุ่งมั่นเป็นปูตศึกษาในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงใจของพญาจิตรราชนั้นเกิดความเบื่อหน่ายคลายถึงข้าพเจ้าจะเกิดพบหน้าชาติหน้าพญามัจจราชจะต้องตีเมืองอีกเกิดมาพบใรชาติได้ พญามัจจุราชก็ตีเมืองเองมันน่าเบื่อจริงๆ เ, เกิดมาพบใดจะไม่รู้วบคนทุกคนจนหูหนวกตาบอดเป็นสัตว์ที่ระชงราชานตายด้วยกันทั้งนั้นพญามัจจุราชตีเมืองทั้งนั้น เ, เพราะนั้นเราจะเกิดกี่พบกี่ชาติกี่หมื่นกี่แสนชาติก็จะต้องได้รับทุกทรมานในการเกิดพญามัจจุราชก็จะตีเมืองอยู่ตลอดอน่าเบื่อ นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนแนวทางเลท่านนี่ราจะทำยังไงที่พญามัจจุราชจะตามไม่ถึงพญามารจะตามไม่ถึงทำยังไงอันนี้พวกเราจะต้องศึกษาถ้าพวกเราได้ศึกษาด้วยนะทำคำสอนขององค์หลวงตาของเรานี่นะในเทปก็ดีในหนังสือก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งใ น, ในแดนอวกาศของจิตของธรรมหรือในธรรมเทศนาของหลวงตาที่ท่านอบรมพระโดยมาก มีแต่เรื่องที่จะทํายังไงจะหนีจากเ ม, มือของพญามัจจุราชจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดกีถ้าไม่มาเกิดพญามัจจุราชก็หาไม่เจอเหมือนกันนะพญามารก็หาไม่เจอเพราะจิตใจของเราไม่มาเกิดอะไรตัวนี้ใครข้ามมันแหวกแนวเป็นมิติหนึ่งจิตเห็นรู้แจง้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวักิเลสโลภโกรธหลงไม่มาครองเลยเตัวนีย เป็นมิติหนึ่งจิตหลบออกไปออกไปจู่อมตะธาตุอมตะธรรมจิตที่เป็นธรรมอย่างที่องค์หลวงตาเคยพูดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาขออนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะอย่าตั้งอยู่ในความความประมาททุกคนเกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้ไม่รู้ว่าขนาดไหนพระพุทธเจ้าก็ของเราของสยามภูรู้แจ้งโลก เหเหินเดินฟ้าได้ในยุคสมัยนั้นแปลว่าเรื่องรือเป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านก็ไม่พ้นเงื้อมือของพยามัจจุราชจากนั้นข็พระสาวกทั้งหลายไม่ว่ายุคไหนที่ท่านได้สำเร็จมรรคผลปวงที่สุดก็ถึงจุดจบเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะจะตั้งอยู่ในความประมาท พูดทางนี้ทางนั้นก็ให้สังสมคุณงามความดีเมื่อเราได้กายยนครนี้แล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทไม่ใช่ว่าพอได้กายยนครนี่แล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาคิดว่าตัวเองจะไม่ตายสิ่งไหนที่สั่วช้าเสียหายก็เอานําเข้ามาสู่จิตสูกใจของเราออกจากภพนี้ชาตินี้ออกออกจากกายยนครออกจากร่างกายนี้แล้วไม่มีอะไรติดตัวไปด้วยมีแต่เปลือยกายล่อนจ้อนไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ คือไม่มีสินอาภรณ์คือคือสินผู้ที่มีสินคือผู้มีอาภรณนะ์ผู้มีอาภรณ์ไปเกิดในภพใดชาติใดก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองการพูดการแนะแนววันนี้ก็เห็นว่าเวลาน้อยนะอาตมาหลวงพ่อข อ, ขอแจงให้เพียงเท่านี้แล้วก็ข อ, ขอให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานถวายบูชาพระคุณองค์หลวงตา ด้วยบุญด้วยกุศลที่พวกเราท่านทั้งหลายได้บมเพ็ญมาในอดีตชาติมากน้อยถึงปัจจุบันชาติจนถึงบัดนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนั้นพวกเรา ท, ท, ทุกทุกท่านที่เป็นสิทธิ์ยาวนิสิตให้รวมเป็นพลังหนึ่งเดียวขอให้เป็นพลังเกื้อกูลห น, นุนรักษาสุขภาพพระองค์หลวงตาขอให้หลวงตา อ, อ, อยู่ด้วยความผาสุก ร่างกายหายจากโรคคาประยาิขอให้หวงตาเป็นอยู่เป็นร่มโพ ร, ร่มไทรของพวกเรานานเท่านานด้วยเถิด